ตัวกนะับพอาหารลำไส้นี่นะเราไปรักษากับหมอไข้ปัจจุบนนะันส่วนใหญ่นะจบด้วยมะเร็งทั้ง น, นั้นแหละเชื่อไหมไม่เชื่อว่าจบด้วยมะเร็ง <c oughs> นะแรกๆอ่ะสังเกตุที่คุณถามผู้ปิวยมะเร็งตัดได้มะเร็งลงาไส้ได้นะ <c oughs> คุณถามไปเถอะนะไปลอไปหาหมอหมอจะบอกว่าไงตรวกพอ่อา <c oughs> พอาหารลาไส้ตรวกับพอาหารลาไส้ตรวกพอาหารลาไส้ตรวกับพ่ออาหารลาไส้ <c oughs> สุดท้ายเป็นไง มะเร็งทางนั้นแหละไม่รักเลยใครเป็นกระเพาะอาหารลาไส้เลือดรันจะงนีไปหามะเร็งต้อหมอไปปฏิบัติการรกษาไม่เป็นรักนาโรคกระเพาะอาหารลาไส้ไม่เป็นอ่าเดี๋ยวคอยฟังว่ารักษาไม่เป็นยังไงโรคกระเพาะอาหารลาไส้เดิมทีนั้นมันเกิดจากเพราว่าเย็นเกินเดิมทีเกิดจากเพราะว่าเย็นเกินอ่าพอเกิดจากเพราะว่าเย็นเกินเนี่ยนะครับมันมันเกิดึมีคนใจอย่างไรร่างกายเย็นมากๆขึ้นเลือดจะหมดตัว พอเส้นเลือดหดตัวเนี่ยนะครับในกระเพาะอาหารลำไส้เส้นเลือดหดตัวเลือดลมจะไหลเรียนไปลำบากเสือดลมไหลเรียนไปลำบากของน้ำย่อยไหลไปลำบากไปย่อยไม่ได้กินอาหารลงไปมันก็ไม่ย่อยเพราะมันน้ำย่อยหลังวันลำบากเลือดลมไปไหลเรียนให้กระเพาะอาหารลำไส้ทํางานลําบากมันไม่มีกําลังแล้วมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะมันก็เย็นอย่างนั้นแล้อาหารก็ไม่ย่อย พอไม่ย่อยพวกเชื way, so hey, image, ้อโรคมันก็มากินพอเชื้อโรคมากินมันก็เกิดเป็นก๊อดเป็นแก๊สขึ้นธรรมชาตินะกระบวนการหมักนะโฟมีเตชันมันก็ต้องเกิดเป็นก๊อดเป็นแก๊สขึ้นพอเกิดเป็นแก๊สขึ้นมันก็ท้องอืดเกิดเป็นก๊อดขึ้นมันก็กัดกระเพาะอาหารเพราะทำนั้นแหละทำก็กัดกระเพาะอาหารให้เป็นแผลให้อเสบให้เป็นแผลแล้วถ้าเป็นหมอแบบโบราณพขารักษาแล้วเป็นไตเจีอย่างนี้เขาก็จะให้เกล้วยดิบเข้าไปรักษาแผลใช่ได้ให้เกล้วยดิบเข้าไปรักษาแผล นะแล้วก็ให้คมินชันนะให้คิงให้ยาร้อนนะเข้าไปเพื่อขับลมออกแล้วก็เพื่อไหลเดินก็วตงให้ดนะีแล้วคนไข้ก็จะหายไม่ผิดครับถูกต้องเนะขาจะทําเงี้ยโรคก็จะหายนะพอเรียนลมไหลเรียนดีนะั่งย่อยทำงานดีนะก็จบทั้งหมดนะครับทุกอย่างก็กลับมาทํา ง, งานปกติหมดแผ้ก็หายลนะมมาถูกขับออกนะก็จบทั้งหมดคราวนี้ยุคนี้เนี่ยมันเกิดจากภาวะร้อ น, อนเกิดในส่วนใหญ่ เมื่อเกิดจากาวะร้อนจนเป็นส่วนใหญ่เป็นอย่างไรนะร่างกายร้อนมากๆเนี่ยเขาจะระบายพลังงานความร้อนนั้นไปออกที่กระเพาะอาหารร้อไส้เพื่อที่จะระบายออกต่อทางเส้นเส้นการตัวนะออกทางทวาวรด้วยหรือจะออกทางปากทางหัวก็แล้วแต่นะครับทางปากเนี่ยบางทีเราจึงต้องตึงแผลในปากอนะ่ะเคยไหมนั่นแหละนั่นแหละร่างกายร้อนมากๆเขาระบายที่กระเพาะแล้วก็จะส่งออกแผลในปากทีแล้วส่งไปข้างล่างทีนะครับ ก็แล้วแต่เขาอาการเขาจะระบายเส้นเขาเรียกว่าเส้นกลางตัวสเส้นสุบนาเส้นเหลืองไม้ตูมั้ยครับเอาลนะเม่อเขาจะระบายตรงนี้มันจะไปกองที่กระเพาะอาหารลำไส้ก่อนเพื่อนก่อนก่อนจะระบายออกพอไปกองที่ตรงนั้นมากๆแล้วระบายออกไม่ทันมันจะเผากระเพาะพ อ, อาหารลําไส้ของเรานั้นให้อ่าเปิยผู้พองนะให้เปิด ผ, นะผู้พองเหมือนกับไฟไหม้น้ำบอลลวกนะครับโอ้เวลาสองกล้องลงไปมันจะเห็นเลยโอ้แด๊งเหมือนไฟไหม้น้ำบอลลูดเลยนะเป็นแค่นั้นแหละมันจะแดงนะครับ มันก็จะแดงเปื่อยผู้อังงั้นพอมันแดงเปื่อยผู้อังนี้ปุ๊บมันก็ทํางานไม่ได้กินอาหารเข้าไปมันก็โอเปนบาดเจ็บอยู่อ่ะคนบาดเจ็บอยู่จะทํางานได้ไงมันทํางานไม่ได้เพราะทำงานไม่ได้อาหารก็ไม่ย่อย พออาหารไม่ย่อยทำไงครับอาหารไม่ย่อยปุ๊บมันก็ค้างางอางไกับข้ออาหารเราใส่เชื้อโรคเข้ากกมากินอีกมันเก่าเกิดแกส๊สเกิดกดขึ้นมัเก่าเกิดกดเ ก, ก, กิดแก๊สึ้นแก้ก็ทำให้ท้องอืดจุดเสียแน่นดต้องกลั บ, บข้ะอาหารเราใส่ซ้ำก็ไปอีกาทาให้แผสลิกเข้อีกแล้วก็เป็นแผลมากขึ้นไปอีกนะครับเป็นอย่างนี้แหละย้าทยี ก, กดมากๆนะเพราะว่ามันน้อยมันทำพารางาน ใครทำตัวให้ร้อนมากๆเนี่ยเขาจะระบายกดนะไปไว้ที่กับเพาะบาทีเขาอยากจะขั บ, ขบขออกทางอุจจาระคนก็พูดเยอะนะเขา อ, อยากจะขับขออกทางอุจจะเขาก็เลยระบายกดไปที่กับเพาะมากๆนะพอมันมากมๆพอระบยออกไม่ทันเป็นไงกดไหล ย, ย้อนเลยเนี่ยที่ว่าโ ก, กดไหล ย, ย้อนเป็นกันเยนอะนะเดี๋ยวนีกดไหล ย, ย้อนเลยนี่ขึ้นอโอ้โหแสบ ม, มังคุดจะบอกแสบมังคดแสบโคจุกจุดตรงนี้แหละน้ำจะแสบจุกคนมีสารบอกแสบมังคมังค มันก็กดไหล ย, ย้อนขึ้นมานะกดก็ไหล ย, ย้อนไหล ย, ย้อนไหล ย, ย้อนขึ้นมาก็เป็นกดไหล ย, ย้อนทักวนี้หมอแผนจีนเป็นหักษานเต็มเลยนะเพราะเขาไม่รู้ต้นเหตุแล้วหมอแผนรีนรักษาทําไมรู้ไหมนี่นีบอกหมอแผนรีนรักษากันไหมก่อจะมาบอกว่าแพทย์ทางเลือกรักษาไงนะแล้วมันจะเป็นมะเรยงไงรู้ไหมก็ตับร้อนข้างในร้อนร้อนร้อนรอนร้แล้วเขาพยายามระบายความร้อนมาที่กับขอลำไส้ไงพอระบายมาปุ๊บหมอแผนรียร ก, กินยาเครือบไว้ อาหารก็ไม่ย่อยเลยนะอาหารไม่ย่อยอาหารบูดนะอาหารเน่านะเพราะไม่เลืนทำไมกินอย่างเดิเคลื่อกไ้เคลื่อนกับก้นไปตกองไปเครื่อนไที่นอเน่าอะไแหละไว้กับเครื่อนกดเลยไว้ฟังให้ดีนะไปเครื่อนเอพรวมร้อนไว้ไปเครื่องเอากดไว้ไปเครื่องไปกดน่กเน่าไว้นะพอไปเครื่อนไว้เสร็จนะมันก็หลังออกมาอยใช่หมเพราะมันมีเยใช่ไหมกพยายามทะลุออกมาทะลุจะออก ออกไงก็ได้ทิดทำท่าให้เองนะก็กินยาไปเครือบไว้เครือบไว้นะหรือไปต้องการหลังไว้ไปเครือบไว้เครือบไว้ก็เครือบกดเครือบไออาหารเน่าๆไว้ไปเครือบความร้อนไว้เครือบไว้เลยเคลือบไว้เลยเคบไว้เลยเคลือบไว้เลยเมื่อออกไม่ได้มันเน่าคากระเพาะคาลําไส้เั็นแหละแล้วความร้อนตีกลับไปทำลายตับก็เป็นมะเร็งตับธราเองมะเร็งตับมันออกไม่ได้สิก็คุณเล่นกันไม่หมดเลยเล่นเครือบไปหมดเลยเอาอลูมิเนียมหรือเครือบไว้กันนงนั้นแหละมันอลูมิเนียมและไอ ไอ้เจ้ายาน้ำน้ขาวหรือมีส่วนประกอบของอลูมิเนียมมันเคลือบก็ยังดีเลยอลูมิเนียมเนี่ยสังเกตไหมข้ออลูมิเนียมในการนั่งกันระดิ้กันนะใช่ไหมอะลูมิเนียมไนโตรซาย์กินเข้าไปแล้วนะไอ้ยาน้ำขาวอ่ะมีส่วนประกอบของอลูมิเนียมทั้งนั้นพวกเนี้ยก็ไปเคลือบไปเคลือบไปเคลือบไปเคลือบผิดไป แลมื่อไร่จะหายสักทีอ่ะกก็รอวันเป็นมะ็งตับนั่นเองเราเป็นมะเร็งกระเพาะเราเป็นมะเ็งมะลำไส้ทำนั่นนั่นนั่นเละ่คือการรักษาขหมอไทยปจจุบันอ้าวหมอผีใช่หรอในการใช่มาทางเลืกายคนกนบาที่บบาอาจารอาจารย์ได้พูดหมอผีได้ไหมโงกระเตานเลยคือจริงพูดหมอผีไม่ใช่อะไรจิตนาที่จะอ่อนน้องของตนจิตนาที่มึงคนนันูกเรานะ ลึกๆคนจะดูถูกว่านะแค่ทางเลือกมันไม่มีกลไกทางเอกสารในรูปในมีนนอะไรต่างๆคนะือบางทีแค่ทางราชการมันเร็วอ่ะมันหายเลยพรามันมันมอผีนะก็เลยไหนๆก็ว่าเราเป็นมอผมีว่าไม่ไปแล้วๆไปซะแล้วว่าไแล้วก็เลยเป็เมผีเชนเราอะไรอ้แต่ความจริงก็แต่ครูบาอาจารย์ก็บอกนะว่าเัน่นนั่นพรพรผม มีมีคนหนึ่งนั่นก็เป็นพยาบาลนะอ่าเป็นเป็นพยาบาลของจาาพนิยมอยู่แล้วนะพอวันหนึงผมเข้าไปตรวจคนไข้เข้าไปตรวจพ่อท่านเขาไปกามพ่อท่านล้วจะเข้าไปตรวจพ่อท่านเอ้หมอผีมาแล้วพ่อท่านจงเลยเฮ้ยไปว่าเขาเป็นหมอผี่าได้บอกเลแทยเลือกตัวพทดสิว่ามันไปว่าได้ไงหพอรันดุพยาัาลคนนั้นใหญ่เลยนะเออเราก็ เอาจริงเราไม่ได้ศื่ษาหรอกเราไม่ได้ืา่าแต่เพราะ่านท่านรู้หมอลูกควรรู้หมอลูกควจริงจะว่าไปอา่าไปว่าพอถึงก็ไม่ดีหรอกว่าเป็นหมอผีเขาจริงเนบ่ยนแทยทางเลือกเขาก็มีวิทยาศาสตร์ของขอนะครับ จริงๆกไม่ใช่หมอปีหรอกีว่าเข้าก่อนอาภัยโรดอ า, าอาลุงออะไรรู้สึกอาไทยโรดมาอาภัยโรดขอกศมาอาจารย์หมอขอขอได้มยไหมขอด้วยไหมหมอพอีอย่าพูดด้วยมไหมคนที่ไม่เข้าใจเขาจะดูถูกเขาอ่ะดูถูกแล้วเขาจะเขาจะเสียหายนะคือเขา ก, กลัวว่าคนดูเนะี่ะคนฟังจะเสียหายนะก็เลยว่าเออาจารพยายามจะพยา ย, ยามลดจนได้ เราพยายามไม่ได้กดปางไม่ได้แล้วที่จะคือลึกๆไงเราเราไม่อยากจะเป็นคนกลางอะไรเลยพูดอน้องตอบคนอยากให้คนดูถูกไปตามัาษาของเขามาต่อแล้วกัน อ้าวแล้วแท้ทั้งเรื่องเช็คเราว่าทายไงแทบไวิธีพูดเราเอาไงดีนะอ้าวแทบไม่ีพูดของเราเราก็รู้ต้นเหตุอนะ้อต้นเหตุจากร้อนเพราะใส่เย็นลดร้อ น, ใ, นใส่เย็นเข้าไปพร้อมกับให้กินกล้วยดิบเมันเก่านะกล้วยดิบเราก็ยังให้กินเพื่ออะไรครับกล้วยดิบนะมันจะเป็นส่วนน้แข็แล้วกล้วยดิบมันมีนิสัยเย็นนะเราก็ให้กินกล้วยดิบด้วยน้ำต้นกล้วยก็ได้ที่พูดใน้ฟังวันก่อนโดยวิธีการกินก็คือเอากล้อยดิบมาะง่ายที่สุดเลยไม่ต้องซื้อเป็นขับซูลก็ได้ ใครมีแคปซูลจะกินแคปซูลก็ไม่ว่ากันนะแต่ดีที่สุดคือดิบดิบสดสเลยนะแล้วก็ไปหาเปลือดดิบมาโดยเฉพาะเปลือดลำวะแบ่งมานึูกทุกตัดเปออ็นสามท่อนตัดเปสามท่อนเอาต่ดปสามท่อนปุ๊บนะเรากเคียวกินปเลยน ะ, ะแบ่งเป็นสามเวลาก่อนอาหารานะๆๆๆๆนนตัดสามท่อนแล้วใช่มแบ่งเป็นสามเวลาก่อนอาหารเเคี่ยวเี่ยวเี่ยวนเข้าไปมันอึนไม่ค่อยลงแบบซับทั้งเคียวตามเข้าไปนะตน้ตามเไปเคี่ยวเคียวกินทันะนนนน้งเปลือกเลยรักษาเร็วมากดีกว่าไซเบอรดีดรับปรกันเลย ดีกาา่อนใส่เบรดดีก็แล้วกันนะครับดีก่อย า, านะอน้ําขาวอารมณิวอาัมณ์แถบอะไรต่างๆนะโอ้ดีก่อนพวกนีเ้เยอะแยะครับเอ้เขียวเขี้ยวเขียวให้ละเอียดะละเอียดจะหันก็ได้จะยังไงก็ได้ขอให้มันละเอียดแต่ทำาังไงก็ได้จะไปฝันก็ได้กูจะทําอะไรก็ช่างกูจะโขกก็ได้กูจะเคี้ยก็ได้ะไดนะขอให้มันละเอียดอ่ะแล้วก็ตื้นลงไปนะแล้วเราก็กินตัวริบเย็นเข้าไปด้วยสิเพราะอะไรครับเพราให้ตัวริบเย็นไปดับร้อนเพราะเรารู้แว่าต้องเหยียกร้อนนะเรากินก้อนอิฐเข้าไปก็ไปสมานแผล แล้วก็กินน้ำฟลอฟินเข้าไปก็ไปดับไฟโรคมันก็จะหายมันก็จะหายเข้ามาแต่ถ้าสมมุติว่าคราวนี้นี่กรณีถ้าเขาเป็นนอนตีกับเป็นเย็นนะครับถ้าเขาเป็นนอน ตีกับเป็นเย็นล่ะให้ทํำยังไงนะครับถ้าเขาเป็นร้อนตีกับเป็นเย็นคือมันมีอาการท้องอืดร่วมด้วยนะครับท้องอืดแล้วก็หัวตื้อร่วมด้วยความจริงกับการท้องอื่นหัวมตื้อเนี่ยมันเป็นอาการเย็นเกินนะคราวนี้แต่บางครั้งนี่เมื่อร้อนที่สุดสันติกับเป็นเย็นอ่ะมันแพทย์ตะกินเขว่าไว้น่ะอย่างที่สุดจะติกับเป็นหญิงหญิงที่สถดติกับเป็นหยางอันนี้ก็เหมือนกับอาการพท้องอืดที่เกิดขึ้นจากภาว่าร้อนนี้เขาเรียกว่าร้อนที่สุดติกับเป็นเย็นนะครับหลายคนกลายที่ว่ามัมกินได้เลยนะถ้า มันเผาด้วยกล้ามเนื้อเป็นค้างแล้วก็กดรัดเส้นเลือดเส้นเลือดบางส่วนวิ่งไม่ผ่านจากจากมันมันมันกดรักเส้นเลือดแล้วเลือดบางส่วนวิ่งผ่านมาไม่ได้แล้วพองวิ่งผ่านมาไม่ได้เนี่มบาส่วนมันเย็นแท้มันจะมีนะบางส่วนจะเย็นแท้ แล้ถ้าเราใส่เย็นอย่างเดียวมันจะไม่หายเพราะว่าไอเย็นแทรกแต่เลือดที่มาเลี้ยงไม่ได้จ้ามันขาวหรือแข็งเนี่ยเลือดมาเลี้ยงบางส่วนไม่ได้มันจะมีความเย็นอยู่ทนตงนั้นมันต้องการความร้อนที่จะ ท, ำ ท, ำทําความสมดุลของตัวเองถ้าเรากินเย็นดดียวๆในบางครั้งมันจะไม่หายนะครับไอเย็นที่มันแทรกนะถ้าเรากินร้อนผ่านไฟไอ้กินเย็นผ่านไฟไมันจะหายเร็วขึ้นถ้ามันจะ น, นร้อนดีกับเป็นเย็นเนี่ยกินเย็นเพียวๆหมายถึงว่ากินเย็นสดๆเนีนน่ยมันจะท้องอืดขึ้นมาแล้วจะจกหัวซึ้ง มันห้องอื่นมอเตอร์ที่แปลว่ามันมีเย็นแทกถ้ามีรถไฟอย่างเงี้ยนะครับให้กดน้ำร้อนใส่ก่อนกดน้ำร้อนใส่แล้วก็กินในน้ำพอลูฟินตรงนั้นนะครับน้ำสมุนไพรกดน้ำร้อนใส่แล้วก็กินถ้ากดน้ำร้อนใส่แล้วก็กินยังยังมีอาการเย็นแทกอยู่กดน้ำร้อนใส่แล้วกินที่ยังมีอ like me, yeah, าการเย็นแทกอยู่เนี่ยให้เราใส่สมุนไพรริร้อนเล็กน้อยใส่เข้าไปอย่างเช่นใส่ขมิ้นเข้าไปหรือใส่ตะไคร้เข้าไปอาจจต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำตะไคร้ใส่เข้าไปด้วยหรือต้มขมิ้นใส่เข้าไปด้วยหรืออาจจะใส่เนื้อขมิ หรือจะใส่ขิงก็ไปด้วยก็ได้นะให้ใส่ตอนร้อนเข้าไปในปริมาณที่รู้สึกสบายเล็กน้อย น, นะจะใส่เยอะนะเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนมันจะร้อนหนกไปใส่ในปริมาณที่พอดีสบายนะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะไดนะ้เราก็ไม่ตีทิ้งซะทีเดียวก็ต้องไปใส่ไม่เราจะไม่ใส่ขมิ่งใส่อะไรนะรก็ใส่ไปได้เล็กน้อยนะแล้วมันจะรู้สึกสบายขึ้นนะแต่หมอแผนไทยสมัยก่อนเนะี่ยเขาจะรักษามไม่เป็นรอกนะครับถ้ า, ถายุมี้ปุ๊บเขาก็พอท้องอืดจุกแสบแน่นปุ๊บเขาจะไม่ให้ยาเย็น เขาตามตำราแพทย์นไทยบอกเฮ้ย hey, ถ้าคุณเป็นโรคกระเพา อ, อาหารนะเขาคือจุกเสียดแน่นไงห้ามให้ยาแสลงยาเย็นห้ามให้เด็ดขาดมันจะแย่ไปกว่าเดิมเพราะว่าเขามีประสบการณ์ไงว่ายุค ก, ก่อนนะมันเกิดจาเพราะเย็นเกิดให้ยาร้อนมันดีให้ยาเย็นแล้วมันแย่ <c oughs> เขาก็เลยเอาประสบการณ์มันเก่ามาใช้ยุคนี้อพอประชาปุ๊กเนี่ยเขาก็เลยให้คำนิ้นให้ขิงตะบีตะบานเลยทีเนี้ยให้ไปให้ไปันก็ยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งร้อนมันก็ยิ่งแย่ร้อนยิ่งแย่ร้อนยิ่งแย่ นี่เจ้าหน้ที่สารสุริวันพวกหารอีหลายท่านจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหลายท่านเคยทํางานร่วมกันมานะอากระจายสารหักแท่งกันหักแท่งกันะก็คือเคยเกื้อกูลกันแท่งก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันก็มาแล้วรู้ว่าผมมาเปิดใช้เขามาปุ๊บมาเล่าให้ฟังว่าโลกกระเพาะอาหารลําไส้พี่ไม่เห็นหายเลยคืออะไรนี้นะอาพวกก็แล้วพี่ทํางานกี่ขําวินอ๋อมันไม่ด่าหรอกพี่มันร้อน แต่ก่อนนะกินได้ยิางนิ่มกินไม่ได้เราพี่ลองกินคอเลฟินสิบอกให้กินคอเลฟินนะโอ้จังหลังมาทั้งมาหาทั้งโทมาบอกขอบคุณมากขอบคุณมากหายแล้วหายแล้วโอ้ยเ ก, กินคอฟินมาหลายปียก็ไม่หายเนะนี่ยในกระทงสสุขาไม่เป็นวันนี่แถ้าไปเชียกกินินอย่างนี้เดี๋ยวก็ร้อนตายพอดีเลยตับพังหมดเชกกินคินกินคิงไม่ได้รอนะมัะจะต้องกินสมุนไพรด้ยเ็นถ้ามันมีร้อนตีกับเป็นเย็นให้กินินนี่คือ แล้วพ อ, พอรักษาไม่เป็นเลยนะเขาจะเพิ่มปริมาณแคน่นี้เลยนะเพิ่มปริมาณขิงเพิ่มปริมาณยาร้อนโอ้ยใสยแค่นี้มันไม่พอสงสัยอแดงไม่พอแล้วใส่มากขึ้นอีกมันยังไม่หายสงสัยอะไรไม่พอใส่มากขึ้นอีกใส่มากขึ้นอีกโอ้ยเรียนเรียนเรียนนยิ่ร้อนก็นไปใหญ่เลยนะนั่นแหละคือการรักษาไม่เป็นบางครั้งเลยนะการบุกไปข้างหน้าแล้วมันยิ่งแย่มันต้องถอยหลังคนลืมรู้ไปว่าการถอยหลังคือการคือการลบเพื่อที่จะได้ัช น, นะ กลืมไปว่าบางทีถอยหลังก็ได้เชนมากนะบางทีบุกไปข้างหน้าก็ถูกชกางหลังกันแต่บุกไปข้างหน้าก็แพ้นะบางครนะั้งเ่ยมันไม่ใช่นะชีวิตมันไม่ใชต้องบุกไปข้างหน้ายอย่างเดียวชนะนะบางทีถอยหลังก็ชนะได้ <S <S เหมือนอั น, นี้แหละนะลายาย้อนก็ไปยิ่งแย่ยาย้อนก็ไปยิ่งแย่ลาย้อนก็ไปยิ่งแย่นะมนต้องถอยหลังเมือนผมไปเรียนกับครูท่านไทย ที่มาหาอะยรแห่งนี้ไม่พูดดีกว่าที่ไหนนะเดี๋ยวขายที่หน้าเขาต<ะ> <c oughs> อนอมว่ า, าต้องรักษาไม่หายนะผมก็ <c oughs> ไปเรียนเนาะไปเรียนเครอข่ายกาทัศน์ไทยแต่เดี๋ยวหน้ารังทางพอไปเรียนปุ๊บนะ <c oughs> ที่มาหาอะไร ประพวกเขาก็บอกคารักษาไม่ดีขึ้นนะใช้เป็นจ้าคุณไม่ดีขึ้นให้ใช้ทดสัติ์เป็นจ้าคุณต้องแลกขึ้นบีใช่ไไอใช้ยาต้องแลกขึ้นีแลกขึ้นลีก็แกขึ้นเอารถแล้วออไตายตายตายเราก็บอกเลิกเรียนดีกว่าเลิเรียนดีกว่าเานเนี่ยนะตายตายตายตายอย่างเกีนอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่านตำราแล้วก็ท่องเอาแล้วก็ว่างๆนคนจบแทบันไทยเนี้ยได้ใบต่างนะส่วนใหญ่น้ยท่องหนงสือเก่งรักษาไม่ค่อยเก่งหรอก คือเก่งเก่งกนะักนพร่องทสีเก่งหมดนะแล้วคนไข่ตายเอาตายเอายายาวไม่ก็หาเราบอกให้นะคุณจะไปคิดว่ามีใบแล้วรอดนะคน ใ, ใหญ่คนมีใบ่แหละไม่รอดเพราะว่าไอคนที่รักษาหายนะนะเดี๋ยวที่เราให้ฟังนันละย ไ, ไอคนที่รักษาหายอยู่เวลาไปสอบเข้ามาเก็บสอบตามความจริงไปเขียนมาทาไงมันหายนะอเอาไพกเี้ยนะมันต้องเขียนแบบรักษาคนไข้ตายนั่นแหละ้วมันต้องผ่าน เลยไหมอยากได้ไไปกันรอดสินนะให้เขียนแบบที่คนใก่้ไม่หายหรือคนใก้ตายแล้วคุณจะได้ไกับควารอดสินอย่าไปเขียนที่นะที่หายเด็ดขาดเพราะไอ้ที่หายมันกลับหัวกับตำลาพี่เลี้ยงเรียนตายโอ้เป็นเวรจริงๆลประเทศไทยประเทศไทยเราช่วยเก็บข้วาวสุเปนะ็นไงผมเลิกเรียนน่ะประเทศไทยไเลยตอนนี้เเกียดเลยไม่กลับผ ม, มไม่ไบายกันเลยนะมันไปคนละทางแล้วเสียเวลาเปล่าแล้ว ในแต่ที่ลูกเสดที่เป็นแพทย์รยเริ่มมาเลียงกับผมแล้วจบป ร, ริญญาเลยเริ่มมาเลี้ยงที่นี่เลยเพรต้อบอกจบไปก็ไม่รู้จะรักษายังไงไม่หายเนี่ยเนยเขาไม่รู้ว่าบางทีมันรักษาเดินกันหน้าไม่ได้ไมันต้องคอยหลันความจริงโลกมันร้อนขึ้นการขับลมเนี่ยไม่ต้องใช้ร้อน่แรงก็ได้ใช้ร้อนนิดิดเดียวได้เลยพีย่ร้อนแค่นิดเดียวก็มากพอแล้วหวกกับควมรของโลกเนี่ยก็มากพอที่ขับลมแล้วบางทีไม่ต้องใช้มากมันใช้นิดเดียว เห็นไหมมันต้องถอยหลังมาหรือบางทีไม่ต้องใช้เลยใช้แค่น้ําผ่านไฟใช้แค่น้ำร้อนก็ขับลมได้แล้วขับขับขับเย็นได้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ไอขับเย็นที่มันตีกลับน่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้ร้อนมากใช้ร้อนนิดเดียวที่สมบูรณไทยริดร้อนนิดเดียวก็ได้หรือใช้แค่น้ําอุ่นมันก็ขับไอเย็นที่มันตีกลับได้แล้วมันไม่ต้องมากเพราะว่า น, ในใ้ำบรรยากลับองโลกมันช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้ ใช้ร้อนได้มากดูว่าใช้ร้อนปริมาณไหนที่จะขับเย็นนั้นได้ก็อพอพอขับยากได้ขับเย็นตอนนั้นได้คนจะรู้สึกสบายขึ้นอาการท้องอืดมอเตอร์จะหายไปนะครับเพราะนั้นเวลาเราเป็นโรคกระเพาะอาหารลำไส้ลองดูนะเราก็ลองดูว่าว่าเอ๊ะระหวางกินสดบางคนเนี่ยแม่มีอาการท้องอืใององออองดในะ ก, ดกินส ด, นนาออนนสดหายก็มีนะเพราะเป็นท้องอืดที่ ท, ที่ที่จาก จากจากเย็นที่ตีกับไม่มากหรือว่าจากร้อนเทยวเคียวได้แต่เมื่อกี้กินขดเตเมียวเลยก็ได้แต่ถ้ากินสดแล้วมันอืดไปก็เ ด, ดิมใหถ้าคนร้อนใส่แล้วก็กินนะครับถ้ายิมเป็นอยู่ก็เต็มสมคนไทยที่จอนเล็กน้อยอย่างนี้แหละนะครับมันก็จะรอนะ้อดนะนี่คือการใช้ใช้หลักการให้มันถูกนะครับใช้ใช้พวกี้มันถูกอย่างนี้เราคงจะไปพูดกับหมอแผนไทยยังไงนะถ้าลําบากถึงลําบากจริงๆเราจะไปพูดกับกระทรวงสาธารณ ส, สุขไม่รู้จะไปพูดยังไงนะึกไม่ออก ก็ตำราเขาบอกอยากกินของเย็นไอเราเล่นล่อของเย็นเต็มเลย <g iven> แล้วก็หายนะเพราะคนไข้เป็นโรคเฉพาะหายรากสาเยอะมากมาผมเนี่ยมาเข้าค่ายเราเป็นเยอะมากเลยบางคนเป็นมาสิบยี่สิบปีอะ่ะรักษาแผนตะวันตกกันแล้วแผนไทยกันลแล้วแผนนานเลือกกัแล้วไม่หายผอกมาหาเราเรากับตํารารักษาเลยนะ ค, คือตัวเรื่เย็นกำหายอเอ่ะกำหายแล้วก็หายปริมาณมากด้วยจำนวนมากก็หายจากโรคต่างๆนะครับนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ ไม่รู้จีววว์กระทรวงไหนเพราะเขายึดตาราอยู่แต่เรายึดความจริงเรายึดความรู้เจ้าคามรู้เจ้ามองอย่าเชื่อตาราอย่าเชื่อแม้เข้าหน้าเชื่อถือแต่ให้เชื่อความจริงที่เราได้พิสูจน์แล้วความจริงใดเป็นประโยชน์ให้เอาความจริงใดเป็นทโทษให้ล่าเสียนี่แหละนั เ, เลยคุยกันยังไม่รู้เรื่องอยู่ตอนเนี้ยตาทุกวันนี่แหละคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่กับกระโดดมันจะคุยกันเราจะคุยยังไงเพอาะจริงถ้ากระโดเข้าใจปุ๊บต้องเปลี่ยนตํำราทั้งหมดเลยคุยดูสิพลิกตําราใหม่ทั้งหมดเลย ต้องพลิกตํารลาใหม่ทั้งหมดเลยจึงจะแก้ปัญหาสุคาพคนไทยได้กลับหัวทั้งหมดเลยนะไม่ยช่เล่นเล่นแล้วคิดดูเขามีอัตรามาหน้กขนาดไหนโอ้โหชคนมาชาวเชื้อตวมาสอนเราควรจะไปพลิกเขาดีนะโอ้โหมันมันไม่มีริ์จะไปพลิกเขาหกมีฤิจะไกเได้แล้วางคนให้วสวิ์นันี่กับเราไหากาากอ้าิตช่กับเป้านาอยูอย่ที่เขาสบายถ้าสบายก็ได้ถ้าสบายก็ได้เป้าน้อยเปาโดอนเปาโดนเป็นตัวตัวเย็น เอาตัวเย็นตัวเครือบออกซะก่อนเป็นตัวเย็นเข้านอนก็ได้ถ้าถ้าเขากินแล้วสบายนะกินแล้วสบายก็ได้ถ้าเขากินแล้วไม่สบายเนี่ยให้ลดลงถ้าลดตัวร้อนลงแล้วเพิ่มตัวเย็นเข้าไปอาจจะลดหรืองดก็ได้ให้ดูว่าระหว่างลดกับงดอะไรก็มีพลังชีวิตกว่านะแห้อัลตัวนั้นนะครับอัลตัวนั้นอย่าไปให้ยาร้อาเนี่โอ้โหโรคกระเพาะหาลำไส้เลยแย่เข้าไปใหญ่เลยรักษาไม่ออกโรคง่ายกลายเป็นโรคยากไปกลายเป็นโรคอะไรก็เป็รคยาหรือใกล้ตัว ยิ่ง จ, จุกมากๆกัเป็ยากอะไรยาก็เยี่ยวกับถานเปนี้กอะ <c oughs> <c oughs> มันจุกมากๆเอาแล้วไม่ได้ากิกกเยี่ยวแม่ไม่เป็นไรก็สาย่านแต่ดังคาราฟีนหน่อยสิจุกมากๆอ่ะจุกแน่นมากๆอ่ะสายทานก็นเลยหนึ่ ง, งช้อาถ่านในบ้าน่านที่ใช้ก่อไฟโขโขงใส่เข้าไปหนึ่ ง, งชาา้อาพอถานสั่งแก๊ ทานแ to okay, so okay, okay, so to <laughs> ้ันบแก๊กินกล้วยเลยแล้วแก๊สที่จุดกรถูกสั่นสบไยเดียวก็เราก็ถ่ายออกเองสบายอกเองนะกล้าพอท่านเงินใส่ที่เราก็ไปหน่อยมันก็ดีขึ้นเร็วแล้วเออไปกล้าไเปนไไ่กล้ก็ส่ตะถาดเฉยก็ได้ท่านก็ดีขึ้นล้วอยู่ที่ปฏิภาณต้งมีต้นกล้วยก็เสียบจิกแนวชอนเป็นเสียบมหน่อยสิใช่สิบนาทีก็ได้ลํานานต้นกล้วยมีริบบิ้นสมานแผลกิ้งกไปเลย มัก็รักษาโรคแสบท้องโรคปวดท้องแผลในกระเพาะอาหารได้ดีนะครับเอย่างรักษาโรคกระเพาะ อ, อาหารนะครับเนนี่แหละนะครับเอ้ามาดูโรคันนั้นทีนี้นะอันนี้คือโรคในโรคกระเพาะ อ, อาหารที่เป็นอย่างเนี้นะครับรักษากไม่ยากเรอยิ่งดิท็อกช่วยเอยอะยิ่งดีแนละยิ่งเร็วดีท็อกช่วยได้ยิ่งเร็วถ้าเป็นโรค ก, กระเพาะ อ, อาหารลาไส้เนี่ยอย่าลืมเลยเพราะว่าการดิท็อกซ์จะช่วยระบายพิษได้มากรตรง น, นั้นก็ทําตัวถอนพิจารณาร่วมไปอันเนี้แค่แค่เป็นสำคัญ